เท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตาการุณาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เป็นยันที่พวกเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาซื้อประกันภัยและซื้อประกันชีวิตเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนบอริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตเวลาที่ท่านมาวัดนี้ท่านกําลังซื้อประกันภัยกับประกันชีวิตโดยไม่รู้สึกตัว ภัยที่พุทธศาสนาจะรับประกันให้พวกเราปลอดภัยก็คือการที่จะต้องไปเกิดในอบายถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะมีประกันภัยตายปไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเราต้องการประกันชีวิตเราก็สามารถซื้อได้ พระพุทธศาสนาก็ประกันชีวิตรับรองไม่ไม่ให้พวกเราตายกันอีกต่อไปวิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ตายกันก็คือไม่ต้องมาเกิดกันถ้าเรายังมาเกิดกันอยู่เราก็ยังต้องมาตายกันอยู่แต่ถ้าเราซื้อประกันชีวิตจากพระพุทธศาสนารับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องกลับมาตายกันอีกต่อไป นี่คือประกันภัยและประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องการซื้อประกันภัยเราต้องจ่ายเท่าไหร่ประกันภัยของพระพุทธศาสนาก็ต้องจ่ายคือต้องรักษาศีลต้องไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดให้ลเลาแว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเศษ ส, สราญาเมา และอบายยมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกียดค้านนี่คือการกระทาที่จะพาให้พวกเราไปอบายกันอบายามุขแปลว่าอะไรอบายก็แปลว่าที่อยู่ของเดลฉ า, านของเปรตของอสุรกายของนรก มุกก็แปลว่าถานรหรือทางเข้าคนที่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกก็คือกำลังไปที่ประตูของอบายแล้วก็เดี๋ยวก็จะถูกอบายฉุดเข้าไปเพราะคนที่เล่นการประนันเดิมสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนนี้คนและความเกลียดคา้านคบคนชั่วเป็นเม็ดนี้ จะไม่ได้ทําให้เรามีรายได้มีจะทําให้เราเสียรายได้เสียทรัพสมบัติเข้าวของเงินทองไปแล้วพอเราหมดเงินหมดทองเราก็ต้องไปหาโดยวิธีทําบาป ก, กันนี่อบายอาโมกนี่เป็นตัวที่จะทําให้เราทําบาปต่อไปเช่นไปเล่นการพนันเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวยังอยากจะเล่นอีก ก็ต้องไปลักทรัพย์ไปขโมยเงินขโมยทองหรือดื่มสุรายาเมาก็จะทำให้ตกงานไปทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้พออยากจะใช้เงินก็ต้องไปลักทรัพย์ไปทำบาปหรือดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไม่กลัวนิเคดอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะขโมยก็ขโมยอยากจะฆ่าก็ฆ่า อยากจะประพฤติผิดโปรยนี mm hmm. ก็จะประพฤติผิดโปรยนีดังนั้น mm hmm. พระพุทธ เ, เจ้าจึงสอนให้พวกเรา mm hmm. อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบา ย, ยมุขเพราะมันจะทำให้เราต้องไปทำบาปต่อไปแล้วพอเราทำบาปแล้วเราก็จะต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้คิดผู้รู้ ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายนี้กับผู้รู้ผู้สั่งผู้คิดนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปพอทำแล้วใจนี่แหละจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแต่ถ้าเรามาซื้อประกันภัยจากพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราเล็กเลี่ยมอบายยมุกต่างๆและไม่ทำบาปห้าประการคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมารับรองได้ว่าตายไปนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอน เหมือนกับเวลาที่เราซื้อประกันภัยรถยนต์เขารับรองว่าถ้าชนแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเขาจะจ่ายให้เราจะซ่อมรถให้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราซื้อประกันจากพระพุทธเจ้าจ่ายเบี้ยประกันอยู่อย่างสม่าเสมอนักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันรับรองได้ว่าตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย แล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำบุญทำบาปถ้าไม่ทำบาปแต่ไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ทำบุญก็จะไปสวรรค์ก่อนไปเที่ยวพอบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดกำลังก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมีความสบายมากกว่าเดิมเพราะบุญที่เราทำนี่เหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอเราต้องการเบริกเงินเราก็ไปเบิกที่ธนาคารได้พอเรากลับมาจากสวรรค์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเรา อ, อยู่มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี มีพ่อแม่มีเงินมีทองพ่อแม่จะรวยมากรวยน้อยก็อยู่ที่บุญที่เราทําในชาตินี้ว่าทํามากทําน้อยถ้าทํามากก็จะได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่รวยมากถ้าทําน้อยก็จะมาเกิดกับพ่อแม่ที่รวยน้อยถ้าไม่ได้ทําเลยก็กลับมาเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่ร่ำไม่รวยแต่ไม่ถึงกับยากจนพอมีพอกิน แต่ถ้าไปเกิดนอาบายกลับมานี่จะเกิดมายากจนเพราะบาปที่ทำมาไว้มันจะทำให้เราต้องมาใช้หนี้ต่อหนี้ที่เราไปใช้ในอาบายยังไม่หมดเหลืออยู่บ้างบางส่วนก็ทําให้เรามาเกิดอาภัพวาสนาเกิดยากจนและอาจจะมีอาการไม่ครบ32รูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม มีอายุไม่ยืนยาวนานอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่แหละทําไมมนุษย์พวกเรานี้จึงมีความแตกต่างกันบางคนรูปร่างหน้าตาสวยงามบางคนไม่สวยงามบางคนรวยบางคนไม่รวยบางคนมีอาการครบสาสบสองบางคนไม่ครบสาสิบสองบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน บ, บางคนไม่มี บางคนอายุยาวบางคนอายุสั้นอันนี้ก็เป็นผลจากการทำบุญและทำบาปจากชาติก่อนนั่นเองถ้าเราอยากจะให้ชาติหน้าเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นชาติที่ดีกว่าชาตินี้เราก็ต้องทำบุญและรักษาศีลไม่ทำบาปกันและเวลา เรากลับมาเกิดเราก็จะได้มาเกิดแบบมีวาสนธรรมบาลีอย่างพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างสมัยที่ท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็รักษาศีลทำบุญอย่างมากมายมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดท่านไม่ต้องการเงินทองท่านต้องการไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปรักษาศีล พอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ก่อนไปเที่ยวในสวรรค์แล้วพอหลังจากที่กลับมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินที่ร่ำรวยที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างมากมายมีภาษาสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้ดูแล นี่คืออา น, นิสงส์ของการไม่ทำบาปและการทำบุญเป็นการซื้อประกันภัยและได้รับรางวัลด้วยเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อประกันนี้เขามักจะมีของแถมของแจกบางทีก็มีตั๋วให้ไปเที่ยวต่างประเทศถ้าใดมาซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาก็จะได้ตั๋วไปเที่ยวสวรรค์ด้วยมารักษาศีลแล้วก็มาทำบุญทำทาน ใส่บาตรถวายทานถวายสังฆทานถวายข้าวของเงินทองต่างๆแล้วเวลาเราตายไปเราจะไปดีแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ชีวิตของพวกเรานี้เปลี่ยนได้อนาคตของพวกเรานี้ไม่ตายตัวอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบัน การกระทาของเราเราก็ทาได้สามแบบทําบุญทําบาปและทกากลางกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปถ้าทําบุญไม่ทําบาปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายได้ไปเกิดในสวรรค์กลับมาก็กลับมาเกิดดีกว่าเก่าถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เท่าเดิม <c oughs> เคยเป็นอย่างไรเคยมีอย่างไรก็จะมีเท่านั้น นี่คือเรื่องของการประกันภัยภัยก็คืออบายที่พวกที่คนที่ทำบาปจะต้องไปเกิดกันเช่นไปเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รักษาศีลกันทำบาปกันเลยต้องทำตัวเป็นเหมือนสุนัขเห็นขับข้าวของใครก็พอเจ้าของก็เผลอก็ไปคาบมากินนี่คือ นิสัยของเดรัจฉานของคนที่ทำบาปถ้าเราไม่อยากทำบาปอย่าไปลักขโมยอย่าถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานอย่าไปลักขโมยอย่าไปพะพิดผิดประเวณีอย่าไปฆ่าสัตว์ลักทัพอย่าไปโกหกหลอกลวง <c oughs> นี่คือประกันภัยส่วนประกันชีวิตก็คือการที่เราจะต้องไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป ถ้าเราไม่อยากจะตายเราต้องไม่กลับมาเกิดเพราะถ้าเรากลับมาเกิดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เช่นเดียวกันมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอออกบวชบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อแต่เป็นการตายเป็นครั้งสุดท้ายเพราะชาติสุดท้ายนี้ท่านมาซื้อประกันชีวิต ใหามาซื้อการไม่กลับมาเกิดการที่จะไม่กลับมาเกิดนี่เราต้องปฏิบัติทำขั้นสูงกว่าการทำบุญไม่ทำบาป ค, คือเราต้องรักษาศีลของนักบวชคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227แล้วเราจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบมาหยุดความอยากกัน เพราะความอยากเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเราจะไม่มีกำลังหยุดความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปแต่ถ้าเรามีเวลาเช่นเราถือศีลแปเราก็จะมีเวลา เพราะถ้าเราถือศีลเราก็จะไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้หรือเรามาบวชมาบวชเราก็ต้องอยู่ในวัดจะไปทํางานไปหาเงินหาทองไปเที่ยวไปใช้เงินใช้ทองเราก็จะไปไม่ได้พอเราไปไม่ได้เราก็จะมีเวลามาเจริญสติมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดพอเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบ สงบแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรเพื่อให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วเราก็จะสามารถฝืนความอยากสู้กับความอยากได้ถ้าเรารู้ว่าการทำตามความอยาก จะทให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากความอยากที่ไม่ดีความอยากดีนี่ทำได้เช่นอยากจะรักษาศีลอยากจะมาวัดอยากจะทำบุญทำทานอยากจะนั่งสมาธิอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมความอยากเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายไม่ได้ทำให้เรามาเกิด ความอยากเหล่านี้จะทำให้เราไม่กลับมาเกิดแต่ความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากมีแฟนอยากร่ำรวยอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยืนยออยากให้มีชีวิตอันยืนยาวนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าความอยากเหล่านี้มันจะทำให้เรา ต้องกลับมาเกิดใหม่เราต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดสตินี้จะเป็นเหมือนเบรกลถยนถ้าเราต้องการให้รถยนต์ไม่วิ่งไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกเวลารถวิ่งแล้วมันจะไม่หยุด ถ้าเราต้องการจะหยุดเราเราต้องเหยียบเบรกใจของเราคือความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถรยนต์มันชอบวิ่งอยู่ตลอดเวลาชอบคิดตลอดเวลาแล้วมันชอบคิดไปในทางความอยากต่างๆอยากไปเที่ยวอยากมีอยากไปซื้อข้าวซื้อของอยากไปดูไปฟังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยต้องไปทําตามความอยาก พะเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้ทำนี้มันจะตายมันจะทรมานเหมือนคนอยากสูบบุหรี่อยากดด่นสุราอยากมีแฟนนี่พอไ ม, ไม่ไม่ได้ทำตามความอยากนี่มันจะรู้สึกทรมานใจจึงต้องไปทำตามความอยากแต่ทำแล้วความอยากก็ไม่หมดทำแล้วความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีก วิธีที่จะทำให้ความอยากหมดก็คือต้องหยุดมันวิธีจะหยุดมันก็ต้องหยุดคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆพอคิดแล้วก็จะอยากได้อยากเจออยากพบอยากเห็นอยากดูอยากฟังเราจึงต้องมาหยุดความคิดกันวิธีหยุดความคิดง่ายๆก็คือให้เราคิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธไป พุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้เราก็จะไม่มีความอยาก mm hmm. แลวเวลาเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะนิ่งจะสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการไปทำตามความอยากต่างๆพอเรามีความสุขที่ดีกว่าเวลาที่เกิดความอยากเราก็บอกว่าไม่เอาดีกว่า ทำตามความอยากแล้วได้ความสุขเดียวเดียวแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะว่าเวลาเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็จะต้องทุกข์กันเวลาได้แฟนมาเราก็มีความสุขพอเราเสียแฟนไปเราก็ทุกข์กันน้งองห่มน้งองไห้กันสู้อยู่แบบไม่มีแฟนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกข์เวลาที่แฟนต้องจากเราไปเราอยู่กับความสงบดีกว่า เพราะความสงบไม่มีไม่มีความทุกข์ตามมาและเราสามารถมีความสงบได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักถ้าเรามีสติถ้าเรารู้จักหยุดความคิดของเราด้วยสติเราก็สามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปทำอะไรนี่แหละคือวิธีที่เราจะมาซื้อประกันชีวิตกัน ต้องมาซื้อด้วยการรักษาศีลของนักบวชรักษาศีล8รักษาศีลสิบรักษาศีล2 2งแล้วก็ไปอยู่วัดกันแล้วก็ไปฝึกหัดสติจเจริญสติคอยควบคุมความคิดถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจก็นิ่งใจจะสงบแล้วเราจะมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ จะทำให้เราเลิกอยากได้สิ่งต่างๆได้เพราะเรามีความสุขในตัวของเราแล้วเราไม่ต้องไปออกออกไปหาความสุขภายนอกและความสุขภายนอกก็เป็นความสุขปลอมเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกนี่คือ แล้วพอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเราก็จะอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายการไม่ได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่ตัวรู้ตัวคิดนี้ยังอยู่เพียงแต่อยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเพราะการมีร่างกายนี้มันไม่ดี มันทำให้เราต้องทุกข์กันนั่นเองนี่คือการมาซื้อประกันชีวิตและมาซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาไม่มีที่ไหนจะขายประกันภัยและขายประกันชีวิตสองชนิดที่อื่นเขาขายประกันชีวิตเขาไม่ได้ประกันชีวิตเขาประกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตเช่นคนถ้าเราตายไปเขาก็จะจ่ายเงินให้กับ คนที่เราสั่งให้เขาจ่ายเงินเพราะว่าเราไม่สามารถหาเงินให้เขาได้แล้วบริษัทประกันชีวิตก็เลยมาทำหน้าที่แทนเราหาเงินมาให้กับคนที่เราต้องการให้แต่เขาไม่สามารถประกันชีวิตของเราได้ซื้อประกันชีวิตยางไรก็ต้องตายประกันภัยก็เหมือนกันไม่สามารถประกันให้เราไม่ไปเกิดในอบายได้ ซื้อประการภัยชนิดไหนก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้มีแต่ประกันภัยของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาสนั่นเองคือการทำบุญไม่ทำบาปจะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายกันแล้วถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องตายกันเราก็ต้องหยุดการเกิดกันด้วยการบวชกันอยู่แบบนักบวชหรือไปบวชอยู่ที่วัด แล้วก็รักษาเสียงของนักบวชแล้วก็ใช้เวลาที่ว่างนี่เจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาตายอย่าไปทำตามความอยากเพราะถ้าทำตามความอยากแล้วรับรองได้ว่าจะต้องกลับมาตายอยู่เรื่อยๆพอเรามีปัญญาคอยเตือนใจเวลาเกิดความอยากเราก็ไม่ทา เราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีสมาธิเรามีความสงบเพราะเรามีความสุขเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาความสุขมาเพิ่มเพราะความสุขที่เรามีอยู่นี้ดีกว่าความสุขทั้งปวงอยู่แล้วรับรองได้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติพวกเราจะได้ประกันชีวิตพวกเราจะได้ไม่ต้องมาตายกันอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการเราวัด เพื่อมาซื้อประกันภัยและประกันชีวิตนี้ให้ท่านได้นำเอกไปพินิจพิจารณาถ้าอยากจะไม่ไปเกิดในอบายก็ขอให้มาซื้อประกันภัยคือมารักษาสินกันถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ขอให้ไปบวชกันแล้วรับรองได้ว่าท่านจะได้ประกันภัยและประกันชีวิตที่จะทำให้ท่านนีไม่ต้องไปเสี่ยงภัยในอบาย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 อันตรายทหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ